หนวงห้าพิชนวันที่ยี่สแปดมีนาคมพุทธศัการาชสองพันห้า้อยห้าสิบสองปีที่ 32, สามสิบสองฉบับที่หนึ่งหนึ่งสามสูนพันลกยันเฟือยุดร่วมวงวางแผนล้มทัดสิณที่ลาออกองคมนตรีหมายเหตุคนเอกพันลกสินน่งมณีอดีตจองพุ่งโดยการรักษาความมั่นคงภายในาราชอาณาจักรกรรมนอ ให้สัมภาษณ์และออบคำถามที่บ้านพักโชคชัยสิงหซอยลาดพร้าว51เมื่อวันที่27มีนาคมถึงเหตุการณ์ที่พันํารวจโทรทัศนสินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคนอินพาสินคนเอกกรยุทธ์สรานนท์องคมนตรีแลอดีตนายกรัฐมนตรีว่าอยู่เบื้องหลังร่วมวางแผนโค้นล้มระบอบทักนสินการวางแผนค้นล้มระบอบทักนสินเป็นเรื่องจริงแต่ว่าเขาคนเอกกรยุทธ์ไม่เคยเชิญผมเข้าร่วมประชุม แต่เจ้าของบ้านที่สุขุมวิทเชิญผมและประชุมร่วมกันไม่ได้ประชุมแค่ครั้งเดียวแต่ประชุมกันสาถึงสี่ครั้งมีการพูดคุยปัญหาของรัฐบาลทันปฏิวัติโชิสินว่าจะให้รัฐบาลล้มไปอย่างไรโดยมีสองแนวทางคือด้านรัฐธรรมนูนหรือด้านกฎหมายถ้าไม่สำเร็จก็จะทำรัฐประหารการทารัฐประหารมีการพูดหรือไม่ว่าใครจะเป็นนายก ไม่ได้มีการพูดถึงเชิงกับคนเอกกรุณยุเสนอขึ้นมาว่าการทาครั้งนี้ทำเพื่อประเทศชาติทุกคนจะต้องไม่หวังตำแหน่งใดๆซึ่งทุกคนศรัทางในตัวท่านการหาลือเป็นลักษณะโต้กลมซึ่งไม่มีคนเอกคนที่คุญยุรัติรินอดีตประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติค ม, มชนั่งอยู่ด้วยคนเอกกรุณยบอกว่าไม่อยากเป็นนายกแต่ค ม, มชเชิญให้ไปเป็น ผมก็ไปถามท่านผมดาวใจไม่ถูกเพราะทุกคน ง, งงหมดผมเองก็งงแสดงว่าคนเอกยยึดเป็นตัวตั้งตัวตีในการวางแผนล้มรัฐบาลพันตำรวจโหทักสิงจะพูดว่าตั้งยึดเป็นตัวตั้งตัวตีคงไม่ได้หรอกแต่ว่าการประชุมคนเอกเคยยึดจะมาทุกครั้งเขาจะบอกได้หรือไม่ว่าคนที่เป็นแกนนานในการล้มรัฐบาลเป็นใครอันนี้ผมบอกไม่ได้เพราะว่าผมไม่อยากาทักสินถึงคนอื่น แต่เมื่อพลเอกปรยุทธ์มาพาดพิงถึงผมผมก็จะพูดถึงพลเอกปรยุทธ์เท่านั้นซึ่งการประชุมสามวสครั้งก็จะมีการพูดถึงแนวทางการล้มรัฐบาลท่านตำรโทรัศสินตลอดซึ่งพลเอกปรยุทธ์เป็นคนเสนอในที่ประชุมเองว่าการทํางานครั้งนี้เราทําเพื่อประเทศชาติทุกคนต้องไม่หวังตําแหน่งรับยศใดๆหลังจากปฏิวัติรัฐประหารพลเอกปร ย, ยุทธ์ก็ไปเป็นปนา ย, ยกทาให้พวกเราติดหวังมากตอนแรกก็ชื่นชมพลเอกปรยุทธ์มาก เี่ยวกแนวความคิดกรกล่าวคุณง่ายๆคนเอกลุยศเสียสักจ่กลายเป็นคนไม่มีศัจดิ์จะาและผิดมติในที่ประชุมในการพูดคุยกันวันนั้นมีเจ็ดคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเท้งนั้นหลังจากนั้นผมไม่พูดจากับพลเอกลุยศอีกเลยเจอหน้ากันก็ทําเหมือนคนไม่รู้จักทั้งที่เคยเป็นผู้ใต้ตรงข้าบัญชาของผมในการพูดคุยมีการวางแผนอย่างไร อย่างแรกคือการวางแผนด้านกฎหมายและการทํารัฐประหารว่าจะทําอย่างไรที่ผมไปพบพันตำรวจโททักษินทัานทาบหมดแล้วแต่ท่านถามผมในลักษณะใช่หรือไม่คือไม่ใช่ยกตัวอย่างเรื่องที่พันตำรวจโททักษินแล้ให้ผมฟังคือคนจีนจำลองสีเมืองกับคนเอกประยุทธ์เชิญคนเอกกับลูกพัดนุษย์สุวรรอดีตกรรมการการเลือ ก, กตั้งกรกตไปพบที่บ้าน คนตรีําลองแถวราชธรรมจะลอกดีให้คนเอกจะลุกพ้าถอนตัวออกจากอรกตเพื่อล้มการเลือกตั้งงวันที่สองเมษายนสองพันหร้ยสิบเก้าจึงคนเอกลุกพัดรายงานให้คันตำรวจโทรทัศน์สินรับทราบจากนั้นพันตำรวจโทรทัศน์ไปหาคนเอกคือยึดที่ทําเนียบองคมนตรีเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงแต่คนเอกคือยึดปฏิเสธพั น, นตำรวจเอกวัฒนาเพิ่มลาาอดีตประธานอรกตก็ เ, เคยได้รับเชิญไปที่บ้านจุกุิวิ คงไปพบคนเอกรื อ, อยุทธ์จะล็อบบี้ให้ลาออกเพื่อล้มการเลือกตั้งดังนั้นเรื่องนี้ไม่เป็นความลับท่านตำรวจ โ, โททักษิณรู้ดีทั้งจากต้นว่าจะมีการล้มลรัฐ บ, บาลเพราะมีแหล่งข่าวที่ติดตามผู้ที่เคลื่อนไหวทั้งหมดเพียงแต่มาสอถามผมว่าเรื่องที่รู้มาจริงหรือไม่เมื่อตอนที่ผมไปพบท่านตำรวจ โ, โทจทัโโทกษิณที่จีนท่านตำรวจโททักษิณพูดเท้าไปที่คนเอกเรื อ, อยุทธ์จะพาทิงถึงสถาบันเบื้องสูงใช่หรือไม่ไม่ทราบ ท่านตำร โ, โทรทัศสินรู้ตลอดเวลาว่าจะถูกปฏิวัติใช่หรือไม่ท่านรู้มาตลอดทุกเรื่องแม้แต่แผนการปฏิวัติยังแต่ไม่รู้ว่าปฏิวัติเมื่อไหร่แต่ท่านก็มาเพราะไว้ใจคนใกล้ตัวเพื่อนตอนพติเยี่ยนผ่านรุ้นติดที่คุมกาลังอยู่ในกองทัพผู้ไปชมพูดกันเพียงว่ า, าจะล้มรัฐบาลส่วนการลอบสังหารท่านตำรวจโทรทัศสิงไม่มีการรัฐประหารโดยปกติจะต้องร็อกตัวนา ย, ยกซึ่งคนละเรื่องกับการลอบสังหารขอยืนยันว่า ไม่มีการลอ็อกสังหารอาจเป็การเข้าชาร์จหรือล็อกตัวนายกประเทศชาติจะมีทางออกอย่างไรที่ผมตัดสินใจไปพบพันตำรวจโททักษิคือเรื่องความวุ่นวายในบ้านเมืองผมไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันผู้ใหญ่ในบ้านเมืองให้สลับพลาดว่าคนที่จะแก้ไขปัญหาได้คือพันตำรวจโททักษิณทำให้ผมอยากพบพันตำรวจโททักษิณจุด น, นี้เนื่องข่ายทางการเมืองเปลี่ยนไปหรือรัฐบาลตั้งขึ้นมาโดยไม่มีความชอบธรรมเขาต้องให้เสียงข้างมากเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล นี่ล็อบบี้กันแบบงูเหา่าผมอยากฝากไปถึงพนเอกประยุทธ์ว่าเจ้าหน้าที่ถ า, าบันอันมีเกียรติแห่งนี้ท่านควรจะลาออกจากตาแหน่งองค์คมนตรีเพราะองคนมนตรีต้องไมยุ่งกับการเมืองแต่ท่านเป็นคนที่เข้ามายุ่งกับการเมืองดังนั้นเพื่อรักษา่ถาบันอันสําคัญยิ่งไว้ผมคิดว่าท่านควรจะต้องลาออกในฐานะที่ผมเป็นอดีตผู้กำคับบัญชาและรุ่นพี่ผมไม่มีอะไรกับท่านเลยมองอย่างไรที่พนเอกประยุทธ์ เป็นองคมนตรีและไปรับตำแหน่งนายกเมื่อเสร็จภารกิจก็ยังกลับมาเป็นองคมนตรีได้ซึ่งคนมองว่าเป็นการมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองคนเขาพูดกันอยู่แล้วผมไม่ต้องพูดการกลับไปครั้งนี้เป็นเพราะคนเอกเฟรมจรมินตุลลานลนประธานองคมนตรีและราฐบุตรีคอยเป็นแบ็หลุนให้หนุนใช่ไหมใช่หรือไม่ผมไม่อยากพูดเลยเลยไปถึงนั่นผมพูดเฉพาะคนเอกเฟรยึคนเดียวที่พาพิงมาถึงผมคนอื่นผมไม่อยากพูด มองอย่างไรที่มีการพูดภาดพิโงองคมนตรีก็จะทาให้ภาพคจของสถาบันดังกล่าวเสื่อมลงตอนที่พลเอกประยุทธ์เดินหน้าล้มการเลือกตั้งท่านบอกว่าไม่ได้ไปประชุมแต่ไปปึกษาหาลือซึ่งท่านเป็นองคมนตรีอยู่แล้วท่านเป็นคนถึงสถาบันนี้ลงมาผมจึงขอฝากเรียนท่านวันนี้ว่าให้ท่านลาออกเสียเถอะเพื่อควบคุมสถาบันอันสําคัญยิ่งของประเทศไว้ด้วยความหวังดีทั้งนี้ผมไม่เคยมีเรื่องอะไรกับท่าน เหตนการณ์ผิดหวังที่ท่านเสียสัะมีผู้ใหญ่ในบ้านเมืองติดต่อให้ท่านหยุดพูดเรื่องนี้หรือไม่ไม่มีจากวันที่24มีนาที่ผ่านมาที่ประชุมมูลนิธิไทยอาสาป้องการชาติพอทศพรทศกชเขาแจ้งมาว่าคณะกรรมการไม่ครบขอเลื่อนไปก่อนจึงไม่ได้ไปประชุมจุดยืนของท่านต่อสถาน ก, การณ์บ้านเมืองในขณะนี้จุดยืนผมรับใช้ประเทศชาติและมีความสุนทรพจน ด, ด, ดีต่อสถาบันมาโดยตลอด เมื่อหลายคนบอกว่าพันตำรวจโททักษิณคนเดียวที่จะแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้ทําให้ผมพูดไอเดียขึ้นมากัณีนายพิเชษสถิตราชวานอดีตสสพักไทายรัฐไทยและเป็นกวนกอลฟกับตนจนไปหาพันตำรวจโททักษิณที่จีนจึงให้ในายพิเชษโทรศัพท์ไปหาพันตำรวจโททักษิณเพื่อให้ผมเข้าพบซึ่งพันตำรวจโททักษิณบอกว่ายินดีให้ผมหารือจึงเดินทางไปหาสาเหตุที่ผมไปพบเพราะไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากัน ผมก็ถามท่านกำหนดโทรทักษิณว่าจะแก้ไขปัญหายอย่างไรเหมือนวมื่อครั้งของพณะร้อีสิที่ผมเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้นผมเป็นฝ่ายเสด็จ ข, ของของบวทหารเป็นฝ่ายเสของของบทหารสูงสุดดูคนเอกวัฒาานชัยรุชิสิร์เราจึงมาคุยศึกษาหารือกันว่าวัานหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะต้องเป็นพรรครัฐบาลแต่ทุกคนรู้ว่ า, าพรรคประชาธิปัตย์กับทหารไม่ถูกกันเพราะฉะนั้นคิดกันว่า เราจะเข้าไปอยู่พรรคประชาธิปัตย์ดีหรือไม่อย่างน้อยก็จะไปเป็นตัวประสานให้ทหารกับพรรคประชาธิปัตย์ไปด้วยกันผมจึงสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ฝังคนกล่าวหาว่าผมไปรับเงินจากททพัพนตรวจโททักิณสามถึงสี่พันล้านบาทผมยืนยันได้ว่าที่ผมไปครั้งนี้ถ้าเรางเท้ากอล์ฟมาเพียงคู่เดียวซึ่งผมจะไปซื้อมาเล่นกอล์ฟแต่พัพนตำรวจโททักษิณบอกว่าไม่ต้องออกเงินท่านจะออกให้ส่วนท่านจ่ายเงินค่าแคดที้ และค้าที่พักให้เท่านั้นสกเป็นเงินไทยไม่ถึงห้าพันบาทผมยืนยันว่าไม่ได้รัไม่ได้ไปรับเงินเพราะผมไม่ได้ไปคนเดียวสไปถึงสี่คนแล้วเวลาคุยก็คุยด้วยกันทั้งหมดหากรับเงินจริงวันนี้คือรงลดเบ้นไปแล้วในฐานะประชาชนจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรทุกคนอยากให้ประเทศชาติมีความมั่นคงประชาชนอยู่อย่างพันธุสุขมีความกองดองในชาติ อั้งนี้ท่าน่านนี้เลือกโทษกรรมพันธุ์บทโททักษิเพราะเซ็นแค่เป็น เ, ททน เ, เนรรซ็นแค่ขยายซือที่ดินต้องจําคุกสองปีซึ่งจะทำให้ประเทศชาติสู่ความมั่นคงประชาชนสู่ทันที่สุดได้ผมคิดว่าคนจะเลือกทางนั้นสมัยปีสองพัรอยยี่สิบสีสมัยที่ผมนํากําลังทหารเข้ามาปฏิวัติโทษของผมสูงสุดถึงฆาประหารชีวิตผมถูกข้อหาขบวและขัดข้อบังคับราชการยังสามารถเลือกโทษกรรมได้ ซึ่งแรงกักันเยอะมากแสดงว่าควรจะนิรโทษกรรมพนาวดโทรทัศน์สินคนเดียวเพื่อให้ประเทศชาติกลับมาเกิดความมั่นคงอีกครั้งอีกคนก็แล้วแต่ถ้าทําแล้วทำให้ประเทศชาติกลับมาสมานณ์ชั้มีความมั่นคงประชาชนอยู่อย่างทันที่สุดผมคิดว่าควรทําและต้องที่ทำเพราะวันนี้ไม่ใช่เฉพาะปัญหาความมั่นคงแต่มันเป็นปัญหาของเศรษฐกิจด้วย ที่จปลเจตออกมาเคลื่อนไหวท่านตัวท่านคนตรีจําลองแล้วคนตรีนตมนุนเกิดมีนายอะไรหรือไม่คงเป็นฟ้าไม่ขิตแต่ยืนยันว่าเพื่อนก็คือเพื่อนแต่ประเทศชาติต้องมาก่อนที่ผ่านมาจปลเจตแต่ออกเป็นสองพวกสุกลุ่มยันเตอรกับทหาราประชาธิปไตยแต่ส่วนใหญ่เลิกกันไปหมดแล้วเหลือเพียงสามคนเท่านั้นมีการพูดคุยทางโทรศัพท์กับทพานํารวจโททัศน์ิลหรือไม่โทรคุยเมื่อสองวันที่ผ่านมา ท่านตำรวจโทรทักสินถามผมว่าสบายดีหรือไม่ผมก็บอกว่าสบายดีตอนนี้กําลังเล่นกอล์ฟอยู่ไม่ได้คุยอะไรกันมากแล้วท่านตำรวจโทรทักสินได้กล่กาวขอโทษที่อ้างชื่อผมและถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านตารวจโทรทักสินยืมมือท่า น, น, นเอกทัานละบ้าประตูอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่หรอกผมบอกว่าไปขอพกท่านแตหากท่านขอพบผมอาจจะใช้ผมเป็ น, นเครื่องมือเงื่อนไขที่เกิดขึ้นคือรัฐบาลไม่ได้ขึ้น ามาตามระบอกประชาธิปไตยรัฐบาลพรคประชาธิปัตยขึ้นมาแบบฉวยโอกาสวันนี้ภรคประชาธิปัตยที่เป็นพรารคเก่าแก่63ปีเป็นนายก4สมัยให้ถึง7ปีเป็นส่ายค้าน57ปีแต่ละครั้งที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็เป็นแบบนี้